ส o o k ากิจกรรม a t t i v i t t e r มาทาอะไร์มตเธอทางานทำในสานอักงานเธอทำงานในสำนักงาน เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์อทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ทมานมธท่ายอทนยู่วอร์ที่ไหร์ทานด้รอทีงโนพอรองหนัคิงาเธอทำงานดงนดูหงนัวมงานดิเตอร์ทำา้อมพเรธอทำงานราย เ Peter? ขากำลังศึกษาที่มหาวิทยายลายัยฮัานศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขากำลังเรียนภาษาฮันศึกษาภาษาปีเตอร์อยู่ไหนที่ร้านกาแที่ร้านกาแฟ เขากำลังดื่มกาแฟฮ o นดริคก์กาแฟพวกเขาชอบไปไหนวุร์รีเกอร์ดีกไปดูคอนเสิร์ตพคอนเสิร์ตพวกเขาชอบฟังดนตรีดิลิเกอร์ฮเรพอมิสิก พวกเขาไม่ชอบไปไหน v i ร์ลิเคอร์ดิอีกเกอไปดิสโก้ที่ดิสโกเทพวกเขาไม่ชอบเต้นรำดิลิเคอร์อ e a เกอแด s เ